วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 12, ส2เมองายนพุทธศักราช 2,569 ห้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมผู้ปรารถนารถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเพื่อให้ใจมีแต่ความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรที่ไม่มีวันหมดสิ้นคือความสุขของพระนิพพาน ทมที่ยามมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็คือเรื่องทมที่สำคัญที่สุดที่พู้เจ้าทรงเอามาแสดงให้แก่สัตว์โลกเพื่อให้สัตว์โลกได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้มาตัดสรุและได้นำเอาธรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอน<ม>จะสอนเหมือนกันหมดทุกๆพระองค์ธรรมที่พระเจ้าทุกๆพระองค์จะนำมาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเพื่อให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากความทุกนี้ก็มีอยู่สามหัวข้อใหญ่ๆด้วยกันข้อที่หนึ่ง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 คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามมาตัดสั้ในยุคไหนในสมัยใดก็ตามจะสอนเหมือนกันหมดเพราะเป็นวิธีการดับทุกข์เป็นวิธีการสร้างความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรที่ไม่ริวันหมดสิน้นไม่มีการกระทําอย่างอื่นที่จะสามารถ ทำให้จิตใจของสารโลกสิ้นทุกข์หมดทุกข์ได้และได้พบกับความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรได้ต้องปฏิบัติทำทั้งสามข้อนี้เท่านั้นถึงจะสามารถทำให้ปลดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ของพระนิพพานได้ข้อที่หนึ่ง เราต้องกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปเพราะการกระทำบาปนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับผู้กระทำเวลากระทำบาปแล้วใจจะทุกข์ร้อนขึ้นมาทันทีเวลาที่ไม่ได้ทำบาปใจจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนเหมือนในขณะนี้ท่านทัท่านทั้งหลายที่นั่งฟังธรรมอยู่ในตอนนี้ท่านไม่ได้ทำบาปเป็นไม่ได้ฆ่าสัตว์ ไม่ได้รักษรัไม่ได้ประพฤติผิดในการไม่ได้พูดปดไม่ได้ดื่มสุรายาเมาเมื่อท่านไม่มีการกระทำบาปความทุกข์ในใจก็ไม่เกิดขึ้นตานนี้ท่านไม่มีความทุกข์ใจที่เกิดจากการกระทำบาปท่านได้ละการกระทำบาปแล้วในขณะนี้สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือ พยายามละให้ได้ตลอดเวลาทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับพยายามอย่าทำบาปเพราะถ้าเผลอไปทำบาปขึ้นมาเมื่อไหร่ความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมาทันทีสังเกตดูเวลาเราไปทำบาปไปทำร้ายผู้ไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนไปทาผิดศีลผิดธรรม ใจเราจะร้อนขึ้นมาใจเราจะทุกข์ขึ้นมานี่แหละคือผลของการกระทาบาปที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ได้มีการกระทาบาปก่อนขึ้นมานะผลที่เกิดจากการกระทําบาปนี้ยังมีอีกสองตอนด้วยกันอตอนแรกก็คือตอนที่เราทำบาปใจจะทุกข์ร้อนใจจะไม่สบาย แล้วเวลาที่เราตายไปบาปที่เราสะสมไว้ในใจนี้ก็จะพาให้ดวงวิญญาณของพวกเราไปเกิดในอบายอบายนี้เป็นที่ที่เกิดที่อยู่ของผู้ที่กระทำบาปเช่นถ้าทำบาปด้วยความหลงทำบาปด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปทำบาพเพื่อเลี้ยงชีพ ทำบาปเพื่อเอาตัวรอดด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรียกว่าทำบาปด้วยความหลงถ้าตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์ชนิดต่างๆถ้าทำบาปด้วยความโลภความอยากได้มากๆทำบาปด้วยการ โกหกหลบอบรวงชอคงหรือแม้กระทั่งทำบาปด้วยความด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อจะได้ทรัพย์สินเงินทองมามาก ๆ, ๆอันนี้เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะเป็นเปลด อ, อยู่กับความหิวโหวยตลอดเวลาเปลต น, นี้มีแต่ความหิวความอยากมีแต่ความโลภ ได้อะไรมาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเวลาตายไปไม่เคยคิดทำบุญไม่เคยสะสมบุญที่เป็นอาหารทิพย์ไปกับตัวเองเวลาไปก็ไปแบบหิวโหยเป็นดวงวิญญาณที่จะมารอรับส่วนบุญของญาติพี่น้องทั้งหลายถ้าทำบาปด้วยความกลัว ก็จะไปเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่เรียกว่าอสุลกายเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆตลอดเวลาหาความสงมบ ส, สุขไม่ได้เลยมีแต่เรื่องราวหน้าเสียวหน้าหวาดกลัวต่างๆปรากฏให้รับรู้อยู่เรื่อยๆแล้วถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท ทำบาบด้วยความโกรธเกลียดฟันต่อฟันตาต่อตาล้างแค้นกันเวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปตกนรกถูกไฟนรกไฟแห่งความอาฆาตพยาบาทเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้เลยนี่คือภพทั้งสี่ภพที่เรียกว่าอาบายสี่ ที่เป็นผลที่เกิดจากการกระทำบาปเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมการพูดปน่นและการดื่มสรายามเมาอันนี้จะพาให้ไปเกิดในอบายแล้วหลังจากที่ได้รับผลใช้กรรมในอบายหมดแล้วก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนามาเกิดแบบอัะคัดขัดสนมาเกิดแบบยากจนมาเกิดแบบมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เช่นอ า, อาจจะพิกลพิการมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุสั้นเป็นต้น รูปร่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสนี่เป็นอนิสงส์ผลของการกระทำบาปผู้ใดที่จะ ก, กระทำบาปแล้วนี้จะไม่สามารถที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานได้เลยถ้าอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานจึงจาเป็นที่จะต้องทำข้อแรกนี้ให้ได้เสียก่อนคือเราต้องปิดประตูาบาปให้ได้ อย่าไปอบายอย่าไปเกิดอย่าไปเวียนวายตายเกิดในอบาย้วยการละ ก, การกระทําบาปทั้งปวงบาปก็มีอยู่สี่ข้อจริงๆข้อที่ห้าคือสุรานี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นเพียงแต่เป็นอบา ย, ยมุขเป็นผู้ที่จะส่งเสริมให้เกิดการกระทําบาปได้ง่ายขึ้นเช่นเวลาดื่มสุรายาเมาแล้ว จะเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาจะขาดสติจะไม่มีสติคอยควบคุมการพูดการกระทำของใจเวลาใจคิดจะพูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะทำออกมาเลยพูดออกมาเลยแต่เวลาปกติเวลาที่ไม่ได้ดื่มสุรายาเมาเวลาที่มีสติเป็นปกติ เวลาเกิดความคิดไม่ดีขึ้นมาก็จะสามารถหลังงับได้เกิดความคิดที่จะพูดไม่ดีทําไม่ดีก็จะมีสติคอหยุดความคิดเหล่านี้คอหยุดการกระทําเหล่านี้ได้ mm hmm. แต่พอเดินสุรายาเมาเข้าไปเกิดอาการมึนเมาจนไม่สามารถควบคุมการกระทํา mm hmm. การพูดของตนได้ mm hmm. เวลาคิดไม่ดีพูดไม่ดีก็จะทําเวลาคิด เวลาคิดไม่ดีก็จะพาให้ไปสู่การพูดไม่ดีทำไม่ดีทันทีจึงต้องรวมสุรายามเมาเอาไว้ในสีลห้าด้วยให้ละเว้นการเดินสุรายามเมาเพราะว่าถ้ามีถ้ามีสติแล้วก็จะรักษาสีได้ง่ายจะไม่ทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤิผิดในการพูดปด แต่ถ้าเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาแล้วไม่มีสติยับยัง้งเวลาใจคิดอยากจะฆ่าอยากจะลักทรัพย์อยากจะกระเิดผิดในการอยากจะพูดโกรธก็จะปล่อยออกมาทันทีจึงต้องรวมสลรายามาไว้ในศีลข้อห้าด้วยถ้าอยากจะไม่ไปอบายอยากจะไม่ให้เกิดความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาป ก, ก็ต้องรักษาศีลให้เป็นนิจศีล คือรักษาให้มันเป็นปกติรักษาตลอดเวลาไม่ใช่รักษาเฉพาะแต่วันพระหรือเวลาที่ไปทำบุญแล้วพระท่านก็ให้สมาทานศีลก็รักษาแค่เวลาที่อยู่ในวัดพอจากวัดมาก็เลิกรักษาอย่างนี้ก็จะไม่สามารถป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำบาปได้แต่ถ้าเรารักษาศีลตลอดเวลา ที่เราตื่นขึ้นมา้นถึงเวลาเราหลับเราก็จะสามารถปิดกั้นประตูของอาบายได้ปิดกั้นความทุกข์ที่จะกเกิดขึ้นจากการกระทำบาปได้เพราะว่าถ้าเราอยากจะไปหลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะไปหาความสุขเราต้องปิดประตูอาบายก่อนเพื่อที่เราจะได้ไปขึ้นไปสู่ที่สูงต่อไปได้ ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆได้ต่อไปการจะไปสู่สวรรค์ไปสู่ดินแดนที่มีแต่ความสุข <c oughs> ก็เกิดจากการทำข้อที่สองที่พระเจ้าทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะเจอกับความสุขให้สร้างความสุขด้วยการกระทำบุญการกระทำความดีต่างๆ <c oughs> เวลาเราทำบุญทำคุณความดีต่างๆ ใจเราจะมีความรู้สึกมีความสุขใจขึ้นมามีความอิ่มเอิบใจมีความสบายใจอันนี้เป็นอ น, นิสงส์เป็นผลของบุญที่เราได้กระทำกันเวลาทำบุญปับในใจจะรู้สึกมีความสุขมีความสบายใจอันนี้เป็นผลอันแรกที่จะเกิดขึ้นจากการทำบุญทำความดีต่างๆการทำบุญนี้แปลว่าอะไรก็คือการกระทำที่ทำให้เกิดความสุข แก่ผู้อื่นไม่เกิดโทษไม่เกิดความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นมีความสุขเมื่อเราทำผู้อื่นให้มีความสุขเราก็จะตกอยความสุขใจขึ้นมาเช่นเวลาเราบริจาคข้าวของเงินทองช่วยเหลือบุคคลต่างๆไม่ว่าจะบริจาคข้าวของเงินทองให้กับพระภิกษุสามเณรก็ดีบริจาคให้กับคารวะญาติโยมก็ดี ผู้ที่ตกทุกข์ยากได้ยากเหลือร้อนก็ดีแล้วแต่แม้แต่สัตว์เดราจฉานที่เราได้ช่วยเหลือได้ให้ความสุขมันก็จะส่งให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วความสุขใจนี้ก็จะสะสมอยู่ในใจของเราไปเรื่อยๆพอเวลาที่ร่างกายเราตายไปดวงวิญญาณของเราก็จะมีบุญพาเราไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆะ สวรรค์ก็คือสถานที่ที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์แต่เป็นความสุขแบบยังไม่เป็นความสุขขั้นสูงสุดเป็นความสุขขั้นขั้นในระดับแรกของสวรวรค์นีกค่อสวรรค์ชั้นเทพมีอยู่หกชั้นด้วยกันแล้วก็จะอยู่ได้จนกว่าบุญที่ได้สะสมไว้หมดลง เมื่อบุญที่ได้สะสมหมดไว้หมดลงไปดวงวิญญาณก็จะเลื่อนลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และผู้ที่ลงมาจากสวรรค์ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีบุญมีวาสนาติดตัวมาจะมาเกิดมีฐานะมั่งคั่งไม่มีรูปร่างหน้าตาที่ผิวพรรณท่องใสหน้าตาน่าดูหน้าชมมีสุขภาพที่แข็งแรง มีอาการครบสามสบสองมีอายุอยู่ยาวนานเป็นต้นนี่คืออนิสง์ของบุญที่กระทำไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เวลาทำบุญขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ยังมีความสุขใจเวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆและเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะ มาเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบารมีมีบุญบารมีติดมาทำให้มาเกิดมีฐานะดีการเงินการทองมั่งคั่งเป็นต้นอันนี้คืออนิสงส์ของการประทาตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่สองเพื่อให้เราถึงแม้ว่าอย่างยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ก็ให้เราเวียนว่ายตายเกิดในสุขคติในสวรรค์ไม่ให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติในอบายเราต้องรักษาท้องทำตามคําสอนของพระพุทธเจ้าสองข้อนี้ให้ได้ก่อนข้อแรกก็คือให้เราละ ก, การกระทําบาปด้วยการรักษาศีลห้าตลอดชีวิตแล้วก็ทําบุญ ทำกุศลทำความดีต่างๆตามโอกาสตามกำลังมีมากมีน้อยก็ทำไปตามกำลังถ้าไม่มีไม่มีทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองก็ยังมีร่างกายมีมีเวลาที่เราจะสามารถเอาเวลาของร่างกายนี้ไปทำความดีได้ไม่จาเป็นว่าจะต้องทำความดีด้วยเงะเข้าของเงินทองเพียงอย่างเดียวไปเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาเป็นต้น ทำงานทำการโดยไม่รับค่าจ้างค่าตอบแทนทำงานเพื่อช่วยสังคมเป็นต้นอันนี้ก็เป็นการทำบุญทำกุศลเหมือนกันดังนั้นทุกคนจะอ้างว่าไม่มีเงินทองแล้วทำบุญไม่ได้นี้ไม่เป็นความจริงหรือแม้ไม่มีเงินทองเราก็ยังสามารถทำบุญทำความดีได้ทำความดีด้วยการเป็นจิตอาสาทำบุญทำประโยชน์ให้กับสังคม ให้กับผู้ผู้ที่ใครเขาทุกขยากเดือดร้อนพอที่เราจะสามารถไปช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับเขาได้โดยที่เราไม่มีเงินทองแต่เรามีกําลังกายทํำกําลังใจกําลังวาจาเราสามารถใช้กําลังเหล่านี้ทําคุณทําประโยชน์ทําให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาได้เช่นเดียวกันฉะ mm hmm. นั้นถ้าเรามีเวลาว่างเช่นวันหยุด แทนที่เราจะไปเที่ยวกันไปเสีความสุขจากการรับใช้กิเลสตัณหาซึ่งจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปสู้เราไปทําคุณทําประโยชน์ให้กับองค์กรต่างๆก็ได้บางคนก็ไปวัดไปช่วยกันวันมีงานมีการก็ไปช่วยทํางานกันช่วยทําความสะอาดช่วยล้างถ้วยล้างชามช่วยกันทำล้างห้องน้ําห้องอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้ ถ้าเราอยากจะทําบุญนั้นเราไม่มีเงินไม่มีทองที่จะทำเราเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือทํางานในในเรื่องต่างๆได้แม้แต่เป็นหน่วยกู้ภยัยก็ไปทํางานเป็นหน่วยกู้ภยัยเป็นอาสาสมัครก็ได้ออการกระทําเหล่านี้เรียกว่าเป็นการทําบุญทํากุศลทําแล้วจะทําให้จิตใจเรามีความสุข แล้วความสุงนี้จะส่งให้เราไปสวรรค์หลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วแล้วกลับมาเกิดใหม่เราก็จะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะมั่งคั่งมีบุญมีวาสนาบารมีสกิมานี่คือประโยชน์ผลข้อที่สองของการทาตามคาสอนของพระพุทธเจ้าคือไปสวรรค์กันตายแล้วไปสวรรค์กันขณะอยู่ก็มีความสุขใจ ปิดประตูอบายด้วยการกระทำไม่กระทำบาปทั้งปวงข้อที่หนึ่งเราก็จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายอพอกลับมาเกิดเราก็ไม่ได้มาเกิดแบบมี อ, อาอาภพวาสนามาเกิดแบบแร้งแค้ น, นยากจนอันตาคาตัดขัดสงมาเกิดแบบร่างกายไม่ครบไม่สมประกอบออวิยาวะไม่ครบสามสิบสอง อ น, นี่คือการกระทำสองข้อแรกคือทำให้เราเรียน่ายตายเกิดในสุขคติระหว่างพบของมนุษย์กับพบของของเทวดาเราจะขึ้นลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถไปปฏิบัติทำข้อที่สามให้ได้ข้อที่สามนี้พระเจะบอกว่าให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ให้เอากิเลสปัญหาโมหะอวิชชาตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความเศร้าหมองให้แก่จิตใจให้ออกไปจากจิตจากใจให้หมดสิ้นไปให้ได้เพราะกิเลสปัญหาโมหะอวิชชานี้เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจที่ไม่ได้เกิดจากการทําบากระดับเกิดจากความโลภความโกรธเวลาเกิดความโลภใจก็วุ่นไวายได้ เวลาเกิดความโกรธขึ้นมาใจก็วุ่นวายใจก็เครียดใจก็ทุกข์ขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้ไปทำบาปแตก่การรักษาศีลไม่สามารถกาจัดกิเลสตัณหาได้การที่กําจัดกิเลสตัณหานี้ต้องใช้การซักฟอกจิตใจด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาจิตตภาวนานี้เป็นเหมือนเครื่องซักเสื้อผ้าของใจซัก เป็นเครื่องซักเสื้อผ้าซักใจให้สะอาดบริสุทธิเหมือนกับที่เรามีเครื่องซักเสื้อผ้าเวลาที่เสื้อผ้าเราสกปรกเราก็เอาใส่เครื่องไปแล้วก็กดปุ่มเดี๋ยวเครื่องก็จะทำการซักฟอกสิ่งสกปรกสิ่งสกปรกที่ติดมากับเสื้อผ้าให้หมดไปทําให้เสื้อผ้าสะอาดขึ้นมาจิตใจของพวกเราก็ต้องมีเครื่องซักฟอกจิตใจเครื่องซักฟอกจิตใจนี้เราเรียกว่าจิตตภาวนา การปฏิบัติเจริญสติเพื่อทำให้จิตใจสงบเรียกว่าจิตแยว้วสมถะภาวนาเป็นขั้นที่หนึ่งของการซักพอ้อแล้วก็ขั้นที่สองหลังจากที่สักพอ้อทำจิตใจให้สงบได้แล้วก็ไปสู่ขั้นที่สองคือการไปศึกษาวิธีการกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจ ด้วยการเจริญปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรูคือศึกษาพระอริยสัจ4ศึกษาตายรักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรามีปัญญาเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นตายรักเราก็จะสามารถที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้พอใจปราศจากความโลภความโกรธความหลงแล้วนะ ความทุกข์ที่เหลืออยู่ในใจที่เกิดจากความโลภโกรธหลงนี้ก็จะหายไปหมดใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วใจเป็นใจที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะเหตุที่พาให้ใจต้องยังมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี่องพอได้รับการกำจัดด้วยปัญญาหรือวิปัสสนา คือการมีความรู้ในอริยสัจสี่ความรู้ในไตรลักษณ์ว่ารู้ว่าสภาวะธรรมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเป็นลาบยดสรรเสริญเป็นบุคคลต่างๆรู้ว่าเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงถ้าประยึดไปติดก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่เกิดการพัดพากจากกันรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถครอบครองเอาไว้เป็นสมบัติของตนเองได้ เพราะเป็นเขาเป็นเป็นสมบัติของธรรมชาติแม้แต่ร่างกายนี้ก็เช่นเดียวกันร่างกายที่พวกเรามีกันอยู่นี้เราจะคิดว่าเป็นของเราแต่ความจริงแล้วมันเป็นของธรรมชาติของดินน้ำลมไฟซึ่งวันหนึ่งดินน้ำลมไฟเขาก็จะมาทวงร่างกายนี้ไปจากเราร่างกายนี้ก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปถ้าเรามีปัญญาเราเห็นว่าเป็นไตรลักษ เราไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายได้เราปล่อยวางได้ต่ปล่อยวางได้เราต้องมีกำลังของสมถะของสมาธิถ้าเรายังไม่มีกำลังของสมาธิถึงแม้เราจะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเป็นของธรรมชาติแต่เราก็ปล่อยไม่ได้เรายังยึดยังติดอยู่เราอยัางนี้เรายังรักยังห่วงอยู่เมื่อเราลักเราห่วงเวลาร่างกายเป็นอะไรขึ้นมามันก็จะทั้งให้ใจของเราทุกทรมานขึ้นมาทันที ันั้นเบื้องต้นการซักพอกจิตใจยังจะเป็นจทั้งซักพอกด้วยการทาสมถะภาวนาก่อนทำจิตใจให้นิ่งให้สงบก่อนหยุดความโลภความโกรธความหลงต่างๆไว้ชั่วคราวก่อนฝึกใช้กำลังของสติหยุดความโลภความโกรธความหลงก่อนพอเราหยุดความโลภความโกรธความหลงแบบชั่วคราวได้แล้วเราก็ไปใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความโลภความโกรธความหลง มเป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราตัวที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆพอเราเห็นโทษของมันด้วยปัญญาเราก็สามารถหยุดความโลภความโกรธความหลงอย่างถาวรได้นี่คือการซักพอกใจให้สะอาดบริสุทธิ์กจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปให้ได้เพราะว่าถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ ถึงแม้ว่าเราจะ ไ, ไม่ทำบาป ก, ก, ก็ตามเราก็ยังมีความทุกข์ใจได้เราไม่ทำบาปจากการเราจะไม่มีความทุกข์จากการไม่ทำบาปแต่เรายังจะต้องมีความทุกข์จากจากความโลภความอยากอยู่เราเองจะมีความทุกข์จากการมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่เราถือว่าเป็นของเราเองเราจะทุกข์กับร่างกายของเราเราจะทุกข์กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราเราจะทุกข์กับบุคคลต่างๆ ที่เราลักเราชอบที่เราถือว่าเป็นญาติสนิทเป็นมิตรสายของเราแต่ถ้าเราสามารถซักพอกจิตใจด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาทั้งสองขั้นได้แล้วเริ่มต้นที่ขั้นส ม, มะถะภาวนาแล้วก็ไปสู่ขั้นวิปัสนาภาวนาพอเราถึงขั้นวิปัสนาภาวนาเราก็จะสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่ร่างกายของเราร่างกายของใครกรต็ตามนี้ เราจะเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปยึดไปติดเราต้องยอมปล่อยให้มันเป็นไปตามตามความเป็นจริงของมันความเป็นจริงของมันก็คือมันต้องมันต้องเกิดแล้วก็ต้องดับไปหรือไม่หรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไปอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ในที่สุดมันก็ต้องมีการพัดภาคจากการเป็นธรรมดาถ้าเราไม่หลงไม่ยึดไม่ติด เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ใจของเราก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่จะไม่มีความโลภความโกรธความหลงที่จะทั้งความทุกข์ให้กับใจของเราอีกต่อไปแล้วก็จะไม่มีความโลภความหลงความโกรธความหลงที่จะหลอกให้เราไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะไม่มีร่างกายกต่อไปเราจะไม่เกิดในภพใดต่อไปเพราะเราเห็นด้วยปัญญาว่าการมาเกิดนี้เป็นทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นการมาพบรูปรพบเลือดรูปรพบก็ตามเพราะว่าพบทั้งสามนี้ก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เช่นเดียวกันนี่คือการเห็นด้วยปัญญา<ม>เห็นใจ<ม>รักเห็นอริยสัจสี่จากการปฏิบัติ<ม>คือเห็น<ม>เห็นด้วยการ<ม>เห็นจากจิตใจที่สงบบริสุทจิตใจที่มีสมาธิถึงจะสามารถเห็น เห็นความจริงและปฏิบัติตามความจริงได้ก็คือปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นว่าเป็นเป็นของไม่ที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นของของเราแต่ถ้าใจเรายังไม่มีสมาธิถึงแม้จะเห็นด้วยปัญญาแต่เราจะไม่สามารถปล่อยได้เพราะเราไม่มีกําลังปล่อยกําลังปล่อยอยู่ที่อยู่ที่สมาธิไม่ได้อยู่ที่ปัญญาปัญญาเป็นเพียงที่เป็นผู้ชี้ให้เห็นว่าเป็นทุกข์เท่านั้นเอง ว่าสิ่งต่างๆเป็นทุกข์ทุกข์พวกความอยากทุกพวกความยึดติดในการจะปล่อยนี้จะต้องมีสมาธิเป็นผู้ให้ผู้ให้กําลังในการปล่อยดัยงนั้นเราจึงข้ามขั้นตอนของการปฏิบัติไปไม่ได้ในการซักพอกจิตใ จ, จเราต้องซักพอกจิตใ จ, จด้วยการทําสมรรถะภาวนาทําจิตใ จ, จให้เป็นสมาธิให้ได้ก่อนเมื่อใจมีสมาธิแล้วเราค่อยไปทางปัญญาพิจารณาตายลักษพิจารณาอริยสัจสี แล้วเราก็จะเห็นโทษของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆเมื่อรู้ว่ามันเป็นโทษแล้วก็กำจัดมันได้ด้วยกำลังของสมาธินั่นเองนี่ก็คือการซักฟอกจิตใจทําให้ใจเราสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความทุกข์อย่างเยี่ยงอย่างถาวรใจของเราก็จะเป็นใจที่มีแต่ความสุขไปตลอดที่เรียกว่าบัลลมะสุขนี่บานางังปามังสุขขังก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี่เอง นิพพานที่เป็นบรมส่งนี้ก็คือใจที่เป็นใจที่สะอาดบริสุทธปราศจากความโลภความโกรธความหลงต่างๆพบชาติการเวียนว่ายตายเกิดก็ยุติลงไม่มีการกิดแก่เจ็บตายต่อไปนี่คือความสำคัญของธรรมทั้งสามข้อที่พูะุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะเอามาสอนให้แก่สรรโลกพวกเรานี้ที่เป็นชาวพุทธที่มีความปรารถนาวิมุติหลุดพ้นปรารถนานิพพาน ขอให้เราจดจำํำทำที่สําคัญทั้งสามข้อนี้ไว้ให้ดีแล้วพยายามศึกษาและปฏิบัติให้ได้เถิดแล้วเราก็จะได้ผลอย่างที่พระเจ้าและพระอารามตถาวงทั้งหลายได้รับผลอย่างแน่นอนก <c oughs> ารแสดงธรรมสาหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาในลําดับต่อไปก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติสมถะภาวนาปฏิบัติการเจริญสมาธิ นั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิใจจะนิ่งใจสงบได้ต้องมีสติกับกรรมฐานไว้คอยผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆถ้านั่งเฉยๆเดี๋ยวใจก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้นั่งไปปีชั่วโมงใจก็จะไม่มีวันสงบไม่เป็นสมาธิได้สาเหตุที่เราต้องการนั่งให้ใจสงบให้เป็นสมาธิเพราะว่าเวลาใจสงบ ใจเป็นสมาธิแล้วจะมีความสุขมากจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีความสุขอื่นใดสามารถเปรียบเทียบได้เมื่อเราได้มีความสุขจากสมาธิแล้ว เ, เราก็จะสามารถปล่อยความสุขแบบอื่นได้ปล่อยความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ปล่อยความสุขจากบุคคล น, นั้นบุคคลนี้ได้ปล่อยความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ <S <S เราก็จะได้ไม่ต้องทุกกับบุคคลต่างๆไม่ต้องทุกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อไปนั่นเองแต่ถ้าใจเรายังไม่มีความสงบไม่มีความสุขใจเราก็ยังจะต้องเขาก็ต้องพึ่งสิ่งต่างๆมาให้ความสุขแล้วสิ่งต่างๆที่ให้เราพึ่งให้ความสุขก็เป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ยั่งยืนเวลาเขาอยู่ก็ให้ความสุขกับเราพอเวลาเขาจากเราไปก็จะทําให้เราเศร้าโศกเสีสยใจเราจึงควรเปลี่ยนวิธีหาความสุข ด้วยการมานั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบกันใจจะนิ่งใจจะสงบได้ต้องมีสติและเลืกนู้อยู่กับกรรมฐานกรรมฐานก็คืออารมณ์ต่างๆเช่นทําบริกรรมพุทโธนี่ก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งการดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งการสวดมนต์นี้ก็เป็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งเราสามารถเลือกเอาอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มาใช้ปลกใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆได้ แล้วแต่ว่าอย่างไหนจะเหมาะกับสภาพจิตใจในเวลานั้นถ้าใจเราคิดมากไม่สามารถดูลมได้ไม่สามารถบริกรรมพุทโธได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดไปจกนกว่ารู้สึกใจความคิดเบาลงแล้วสามารถเปลี่ยนมาดูลมได้หรือเปลี่ยนมาพุทโธได้ก็เปลี่ยนมาพอเปลี่ยนมาดูลมแล้วเปลี่ยนมาพุทโธแล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนอีกต่อไปพยายามผูกไว้กับพุทโธก็ผูกไว้กับลมเพีย่างเดียวเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบต่อไป เวลานั <muitas S 2> ่งมีอะไรปรากฏเข้ามามีเสียงมีกลิ่นมีรสมีมีอะไรมีอารมณ์มีความคิดอะไรต่างๆเข้ามามีภาพมีอะไรก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้ดึงใจให้กลับมาอยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวถ้าไม่อยู่กับกรรมฐานนั่งไปจะมันตายใจก็จะไม่สงบถ้าอยากจะให้ใจสงบนี้ถ้าอยู่กับกรรมฐานอย่างต่อเนื่องเพียงห้านาทีใจก็จะสงบได้ นการผูกใจด้วยสติและเลิกรู้อยู่กรรมฐานนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการนั่งสมาธิถ้าเราผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานได้ไม่ไม่ลอยไปที่อื่นได้ห้านาทีเท่านั้นแหละใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบเกิดความสุขใจขึ้นมาได้ดังั้นขอให้เราพยายามผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วใจเราจะได้เข้าสู่สมาธิมีความสุขมีพลังที่จะต่อสู้กับกิเลสปัญหาต่อไปได้ถ้าต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันประมาณสักยี่สิบห้านาทีด้วยกันต อ, ตอนนี้เวลาสาหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกโปรดสังเกตดู ว, ว่าวันนี้นั่งแล้วสงบไหม ถ้าสงบดีก็ให้จดจําวิธีนั่งของวันนี้ไว้เพื่อคราวหน้าเวลามานั่งใหม่ก็จะได้สงบเหมือนวันนี้ได้อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้สงบมันจะไม่ทําให้สงบต้องวิธีนั่งที่ถูกต้องอย่างวันนี้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีน้อยควรจะเจริญสติระหว่างวันให้มากก่อนที่จะมานั่งเอาสามารถเจริญสติได้ทั้งแต่ตื่นจนหลับ เช่นบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆหรือคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้และเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ง่ายแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรออยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริเปลนเตสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเบตาังปกับปติอิชิตังปะทิตังตุหังคิป็นเมวะสัมิจโตสัพเพปุลินโตสังกาปาจันโทปนะระโสยทาณิโตติ ภราสุยทาสพิตโยวิวาชนตุสัพพโลกวินาศตุมเตภีวะตวันตายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสะนิจจังวุฒาประจายโนจตารโหธรมมวัตันเตอายุวันโอสุขัง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 ตันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทางง Facebook 261 YouTube พระอาจารย์สุชาติ309 YouTube ด็อเตอร์วีสากคลับเฮาหนึ่งวิทยุออนไลน์6หน้ากุติสองรสองรวม8 1ด้สิบห้าค่ะคำถามฝากถามจากหน้ากุติค่ะนำข้าวสารหอมมะลิมาถวายพระพอเปิดถุงออกเจอมอดเล็กน้อย แต่อยู่ไกลความเจริญจึงไม่สะดวกหาถุงใหม่ตัดสินใจถวายตามความตั้งใจเดิมตัดสินใจถูกหรือไม่เจ้าคะแบบนี้จะบาปไหมไม่ทราบเหมือนกันว่ามอเ น, นี้มันเป็นเสียงที่มีดวงวิญ ญ, ญาณหรือเปล่ามไม่รู้ถ้ามันเป็นเสิ่งที่มีวิญ ญ, ญาณเราทาให้มันตายมันก็บาปแต่ก็เป็นบาปเล็กๆน้อย ๆ, ๆ, ๆ กับบุที่เราได้บุญอาจจะมากกว่า บ, บาปที่เราทำไปก็แล้วแต่จะพิจารณาก็าล้กันเราก็ตัดสินใจเรื่องเรื่องกดแห่งกรรมแทนไม่ได้กดแห่งกรรมเขาเป็นยังไงเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปถ้าเราไม่แน่ใจเราก็อย่าไปทำมันดีกว่าค่ะคาถามฝากถามจากอีกหนึ่งท่านค่ะ โยมขอถามเรื่องการทําพิธียกเสาเอกเสาโทว่าโยมใช้การทําทานถือศีลภาวนาและแผ่เมตตาให้ทุกๆดวงจิตแทนอย่างนี้แทนได้ไหมคะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนําด้วยเจ้าคะ่ะ เ, เรื่องเสาอกเสาเอกเสาโทนี่มันเป็นความเชื่อเท่านั้นน่ะมันไม่เป็นความจริงอะไรมันอยู่กจะแสงแรงหรือไม่อยู่ที่การออกแบบของวิศวกร ผู้ละเมาดก่อสร้างทําตามแบบหรือเปล่าถ้าทําตามแบบถ้าผู้ออกแบบออกแบบถูกต้องตามหลักหลักหลักวิชาการมันก็จะเป็นอาคารที่แข็งแรงแต่ไม่เกี่ยวกันนะต่างประเทศเขาไม่มีการตั้งเสาเอกเสาโทเขาใช้หลักวิชาการหลักวิทยาศาสตร์คําถามจากทางยู u ูบค่ะจากคุณทินกรปฏิบัติธรรมสมาธิจนจิตนิ่งสงบ จะปฏิบัติยิ่งขึ้นอย่างไรให้เกิดปัญญาเข้าสู่ความหลุดพ้นได้ครับปัญญาต้องรอให้เราออกจากสมาธิก่อนช่วงทำสมาธิไม่ไม่ต้องการทำอะไรต้องการพักจิตต้องการให้อาหารจิตเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่ของมือถือเวลาเราชาร์จแบตโดยที่ไม่ใช้มันนี่มันก็จะเก็บไฟได้มากถ้าชาร์จไปช้ไปมันก็จะเก็บไฟไม่ได้ แราต้องการที่จะสร้างพลังให้กับจิตเวลาทาสมาธิเวลาอยู่ในสมาธิจึงไม่ทําอะไรให้นิ่งไปนานๆแต่พอจากสมาธิมาแล้วถ้าเราอยากจะเจริญปัญญาก็ให้ศึกษาร่างกายทั้งสิ่งต่างๆที่เรามีไว้ครอบครองเป็นสมบัติของเราว่าเป็นสิ่งที่มีความเที่ยงหรือไม่เที่ยงจะอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดหรือไม่ ถ้าเวลาที่เขาไม่อยู่กับเราเขาจากเราจะทำให้เราทุกข์หรือไม่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องหาคาตอบถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์เราจะทำอย่างไรกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เพราะมันไม่แน่นอนว่าวันใดวันหนึ่งเขาก็จะต้องจากเราไปหรือเราก็ต้องจากเขาไปพระเขาเจ้าบอกถ้าอยากจะจากกันอย่างไม่ทุกข์ก็อย่าไปยึดไปติดกันพ้อมที่พร้อมที่จะจากกันเมื่อถึงเวลาต้องจาก คำถามจากคุณนิสีค่ะกระผมเคยทํางานในตําแหน่งที่ต้องใช้คิดแก้ไขและคิดป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับงานอยู่ตลอดเวลามากกว่าสิบปีตอนนี้ได้ออกจากงานแล้วกว่าหนึ่งปีแต่ว่ายังติดนิสัยชอบคิดมากคิดล่วงหน้าไปก่อนแม้กระทั่งตอนนั่งสมาธิเจริญสติก็ยังเผลอไปคิดเรื่องเก่าที่ทํางานบ่อยๆจึงขอความเมตตาพระอาจารย์ให้อุบายเป็นแนวทางในการปฏิบัติเจริญสติต่อไปครับ ก็ต้องพยายามจะรำสติทั้งวันพยายามสวนกระแสของความคิดด้วยการใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธหรือจะใช้บทสวดมนต์ก็ได้หรือใช้คําบริกรรมอย่างอื่นก็ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดตามตามนิสัยเดิมต้องพยายามสวนกระแสมันท่องพุทโธไปบ้างก็ได้สวดอิติปิโสบ้างก็ได้หรือคอยจดจเข้าดูงานที่เรากำลังทําอยู่ก็ได้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ วิธีการเหล่านี้จะช่วยต้านความคิดได้ถ้าต่อไปความคิดนึงก็จะหมดไปเองคำถามจากคุณชวนชมค่ะการเข้านิโรธมาบัตคือการนั่งเจ็ดวันไม่กินอาหารเจ็ดวันไม่นอนเจ็ดวันใช่ไหมเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันคนะไม่ไม่เคยได้ยินไม่แต่ข่าวแต่ไม่เคยรู้ว่ามีการเข้าจริงหรือไม่ถ้ามีก็ต้องไปถามคนที่เขาเข้าดูเราไม่ได้เข้าแล้วม่จะตอบยังไง คำถามจากคุณไพโรธค่ะขอถามเรื่องการนั่งสมาธิสงบมากได้บุญมากสงบน้อยได้บุญน้อยใช่หรือไม่ขอรับแล้วถ้าไม่สงบยังจะได้บุญไหมขอรับอ่าถ้าสงบมันก็ได้บุญบุญก็คือความสุขไงความสุขใจถ้าสงบน้อยมันก็สุขใจน้อยถ้าสงบมากมันก็สุขใจมากถ้าไม่สงบมันก็ไม่สุขก็ขแสดงว่ายังไม่ได้บุญ การนั่งสมาธิถ้าจิตยังไม่สงบก็แสดงว่ายังไม่ได้บุญแต่ต้องนั่งไปก่อนต้องเพงได้ความเพงได้การสร้างเหตุแต่ยังไม่ได้ผลคือความสงบอันนี้เป็นบุญที่ยากกว่าบุญที่ทำทานทำทานปุ๊บนี้ได้บุญทันทีเอาเงินจากคนนั้นคนนี้ปับใจเรามีความสุขขึ้นมาทันที พระเจะถึงสอนให้อุทิศบุญด้วยการทำบุญทำทานอย่าไปอุทิศบุญด้วยการรักษาศีลนั่งสมาธิวิปัสสนาเพราะมันยังไม่เกิดคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะคุณนัทวดีเวลามีคนตายญาติมีธรรมเนียมจัดสำรับไปตั้งไว้หน้าศพแล้วเคาะกะโรงเรียกมาทานอาหารจับเปลี่ยนความเชื่ออย่างไรเจ้าคะ ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เขาเชื่อไ่อยเชื่อไปทช่ไมมเปลี่ยนเขาทาไมเราไม่เชื่อก่าเรื่องของเราเขาจะเชื่อกเรื่องของเขาเรื่องนี้เปลี่ยนกันไม่ได้หรอที่ตีกันตายกันทุกวันนี้เพาพยานจะเปลี่ยนเปลี่ยนความเชื่อของคนอื่นให้มันเชื่อเหมือนเราเนี่ยคำถามหมดเจ้าคะ่ะมีใครมีสำรองคำถามเก็บไว้ในครั้งไม่อยากจะถามก็ออกมาถามต่อได้ อเชิญเข้ามาขอโอกาสครับก็ปกตินั่ง <Okay. S 2> นั่งสมาธิที่บ้านตอนเช้าเกือบทุกวันครับอาจารย์แล้วทีเนี้ยก่อนไปทำงานก็ก็จะมีความสงบ มีความสุขจุดตลอดครับแต่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างวันมีมีสิ่งมากระทบใจทำให้เรารู้สึกไม่ชอบหรือโกรธหรืออะไรแบบนี้ครับพระอาจารย์มีวิธีที่จะใช้ชีวิตแบบกับการทำงานยังไงครับขอคำแนะนำครับมีสองวิธีใช้สติหรือใช้ปัญญาใช้สติก็คืออย่าไปสนใจเราก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธไป เวลาเราเกิดอารมชอบแล้วไม่ชอบขึ้นมาแล้วดึงใจให้กับก็ามาหาพุโทโธไปอือีกวิธีหนึ่งคือวิธีของปัญญาก็คือพิจารณาว่าสิ่งที่เราเห็นนี่เราไปห้ามมันไม่ได้สิ่งที่เราชอบแล้วไม่ชอบเนี่ยเราไปสั่งมันไม่ได้ว่าให้มันมาหรือไม่ไม่มามันจะมาก็ต้องปล่อยให้มันมามันจะไปก็ต้องปล่อยให้มันไปเอาเฉยๆไปอย่าไปยินดีร้ยายกับเขาก็มีสองวิธีวิธีปัญญาก็ต้องยอมรับว่า สิ่งที่ชอบมันก็เป็นมันก็เป็นอนัตตาสิ่งที่ไม่ชอบก็เป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้เราต้องหดทำใจให้อยู่กับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบให้ได้ด้วยการมีสมาธิทําใจให้เฉยๆถ้าเราทำใจให้เฉยๆได้เราก็จะไม่วุ่นวายไปกับสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบวิธีที่ทาให้เกิดใช้ปัญญาครับเราต้องพยายามคิด ให้มันให้เราว า, างเฉยหรือว่าต้องวางเฉยเองครับก็ตัองมีสมาธิต้องนั่งสมาธิตอนเช้าอย่างที่คุณทำแต่มันนั่งน้อยไปกำลังพอจากบ้านมันก็หมดไปแลนะ้วกาลังสมาธิต้องให้มันมีกำลังสมาธิไป น, นานพอไปเจอสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้ เขาจะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาเป็นไปเราอยากไปชอบหรือไม่ชอบเขาเราเฉยๆดีกว่าต้องฝึกสอนใจให้เป็ี่ยนอย่าไปชอบพยายามหันชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วไม่ชอบในสิ่งที่เราชอบปรับนใจเราก็จะเฉยได้สังทุกขบหมดแล้วมีมคาถามต่ออ่ะ หลวงพ่อค่ะหนูอยากรู้ว่าเวลาบริกรรมคําว่าพุโทโธเนี่ยค่ะความความเร็วมันต้องแบบพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือตั้สบายอยากจะเร็วก็ได้อยากจะช้าก็ได้แล้วแต่เราจะต้องการน้องเวลาใจมันดืออาจะต้องให้มันเร็วหน่อยเวลามันไม่ดือมันไม่ดิ้นแล้วก็เฉยๆแล้วก็พุโทโธกปเดี๋ยไม่ต้องพุโทโธก็ได้คอยเฝ้าดูว่ามันมันคิดอะไรหรือเปล่าถ้ามันคิดเราก็ต้องใช้พุโทโธต้านมัน ถ้าเราไม่คิดเราก็เฉยๆมีสติรู้เฉยๆไดเพราะนั้นเปลี่ยนได้ความเร็วช้าเปลี่ยนได้หยุดได้ถ้าใจนิ่งใจไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้คำถามจากทาง a ฟ e b o o k คุณกุ้งค่ะถ้าออกจากสมาธิและบริกรรมพุทโธกิเลสรบกวนหนักกว่าเดิมเป็นเพราะอะไรแล้วจะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ อไหนถ้าออกจากสมาธิแล้วบริกรรมพุโทโธกิเลสรบกวนหนักกว่าเดิมเป็นเพราะอะไรและจะแก้ไขยอย่างไรเจ้าคะเราใช้พุโทโธให้มันแรงกว่าเดิมพุโทโธเราอ่อนอ่อนกว่าเดิมกิเลสมันก็แรงกว่าถ้าพุโทโธเราแข็งกิกกเลสมันก็อ่อนมันเหมือนคู่ต่อสู้กันระหว่างพุโทโธ ก, กับกิเลสแสดงว่าพุโทโธเรามันไม่มีมากพอกิเลสมันก็เลยแรงขึ้น ถ้ากิเลสแรงขึ้นผู้โธเราก็ต้องแรงกว่ามันแล้วมันก็จะลดลงไปคำถามจากคุณพิพัฒน์พลค่ะตัวผู้รู้คือตัวที่นําให้เราหลุดพ้นหรือไม่ครับใม่ตัวผู้รู้เป็นเป็นตัวที่รู้เฉยๆตัวที่จะทําให้เราหลุดพ้นก็คือปัญญา ส, สติสมาธิปัญญาจะพาให้ตัวผู้รู้นี่หลุดพ้นตอนนี้ตัวผู้รู้ถูกกิเลสกักขังเอาไว้ เป็นนักโทษของกิเลเรารเอ้คือพระศินสมาธิปัญญานี้เป็นเหมือนพระเอ้มาช่วยผู้ที่ถูกกักขังไว้ในคุกตารางแห่งการเวียนว้ายตายเกิดถ้ามีสินสมาธิปัญญาก็จะดึงให้จิตหรือผู้รู้นี้ให้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวิยนว่ายตายเกิดได้ คำถามจากคุณนะถาวรดีค่ะขอวิธีเจริญสติให้นิ่งนานไม่วุบวา่ากระโดดไปมาเหมือนลิงเจ้าค่ะต้องทําทั้งวันไม่ใช่เฉพาะแต่เวลามานั่งพนะยายามฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเลยไม่มีเวลาใดที่เราไม่ได้เจริญสติถ้าเราเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องอย่างนี้เราใจจะไม่วุบวา่าใจจะเย็นใจจะนิ่งใจจะสบายคำถามหมดเจ้าค่ะ สตินี้สําคัญตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลามานั่งสมาธิเท่านั้นต้องมีสติก่อนมานั่งถึงจะนั่งแล้วสงบได้ถ้าไม่มีสติคอยควบคุมใจพอมานั่งใจที่คอยคิดอยู่มันก็จะไม่หยุดคิดทันทีมันต้องมีสติคอยหยุดมัไว้ก่อนพอมาถึงเวลามานั่งมันก็จะหยุดง่ายขึ้นอ่าเชิค ร, รันัมรสการพระอาจารย์ค่ะโยมขออนุ ญ, ญาตให้พระอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ความฝันหน่อยนะเจ้าคะ ะไเราไม่ใช่หมอดไมไมูไม่ไม่ไม่ต้องมีคเคราะหรอกอยากไปสนใจมันเลยค่ <c oughs> ะพอาจารย์ <c oughs> ฟังก่อนได้ได้ไหมเจ้าคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ะคือก่อนที่เราจะหัดภาวนาพุทโธเจ้าค่ะมันก็จะฝันดีฝันร้ายปะปนกันไปเหมือนเราไปเที่ยวมั่งไปนรกไปสวรรค์ไปทั่วเจ้าค่ะ ทีนี้พอเราเริ่มภาวนาพุโทโธมันก็จะมีฝันดีฝันไปเห็นพระโพธิสัตว์อะไรที่อยู่ด้านบนบ้างแต่ตื่นมาจะรู้สึกสบายใจแล้วก็จะมีฝันร้ายเจ้าค่ะฝันร้ายนี่ก็จะตื่นมาตกใจตื่นพร้อมกับคำภาวนาว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธและอีก อ, อย่างหนึ่งนะคะที่ภาวนาเริ่มภาวนาพุโทโธก็จะมีอีกฝันหนึ่งก็คือไม่ฝันเลยเจ้าค่ะ<ม>ก็คือฝันน้อยมาก มันมันเป็นแต่ละวันไม่เหมือนกันเจ้าค่ะก็เลยสงสัยเจ้าค่ะให้ใช้พิจารณาว่ามันเป็นตายรักไปแล้วว่าปล่อยวางมันเป็นของไม่เที่ยอมีเกิดมีดับมีดีไม่ไม่ดีสลับกันไปสลับกันมาที่มีเหตุมีปัจจัยทําให้มันเป็นอย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะไปจัดการกับมันได้บังคับมันให้มันเป็นอางตามที่เราต้องการได้ ก็ให้รู้เฉยๆรู้ว่ามันผ่านมันเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วอย่าไปเอาอาดีตมาคิดให้เสียเวลาสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วดับไปก็ปลอ่อยมันผ่านไปนอกจากว่ามันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเจริญปัญญาฉลาดขึ้นแล้วก็เอามาใช้ได้ถ้าฝันเห็นเรานอนตายอย่างเงี้ยเป็นเป็นปัญญาเห็นว่าร่างกายเราเห็นจะต้องตายในวันใดวันหนึ่งเห็นร่างกายเรากลายเป็นโครงกระดูกไปอย่างเงี้ย อ้แบบนี้เอามาจดเอามาจำแล้วเตือนสติไว้บ่อยๆว่าตอ่อไปร่างกายจะต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเรื่องที่ไร้สาระเรื่องบ้าๆบ้าบอกขอแต่งอย่ามาคิดให้มันเสียเวลา ม, มาแล้วก็ฝันมัผ่านไปอันไหนไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์ทางปัญญาก็อย่ามาอย่ามาอย่ามาแบบให้เสียเวลาอย่ากแต่เรื่องที่จะเป็นปัญญาที่จะมาดับความทุกข์ของเราได้ ดับดับกิเลสดับความโกรเขาของเราได้เจ้าค่ะทีนี้คือโยมแค่สงสัยว่าเหมือนพุทธโธเป็นตัวช่วยให้ให้ปลุกให้เราตื่น<ต>หรือรว่ามัน เ, <ร>เป็นเรไม่รู้เราไปสงสัยทำไมล่ะสงสัยมันต้องเป็นบ้าง ข, ขึ้นมาเลยออเจ้าค่ะก็อย่าไปสงสัยจะไม่รู้ก็บอกไม่รู้ก็จบ อ, อ๋อเจ้าค่ะออไปต้องสงสัยแ ล, แล้วไม่ต้องสงสัยเสียเวลาเลยมันไม่รู้ก็ไม่รู้ก็รู้ว่ามีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกัน ทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยที่ทั้งมันเกิดมีเหตุมีปัจจัยทำให้มันดับแต่เหตุปัจจัยอันนั้นเป็นอะไรไม่มีใครรู้ท่า น, นั้นแหละบางทีอยาก จ, จะรู้ก็ได้บางทีอยาก จ, จะไม่รู้ก็ได้ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่สําคัญอะไรสําคัญก็คือทําใจเราให้นิ่งให้สงบท่า น, นั้นแ่ะการปฏิบัติของเราต้องการให้ใจเรานิ่งใช้ใจให้เราสงบให้ปล่อยวางทุกอย่างอะไรที่มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับมันก็ผ่านไป ยามาแบบให้เสียเวละาขอบพคุณเจ้าค่ะ <Okay. S 2> คําถามจากทางเฟซบุ๊กคุณจรัญยาค่ะปัญญาคือการเห็นว่าร่างกายหรือขันห้านี้เป็นธาตุสี่ถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะก็ส่วนหนึ่งเห็นธาตุสี่ไม่เชี่ยงเห็นร่างกายไม่สวยงามมีอาการ32เป็นต้นต้องเห็นหลา ย, ลายมิติ ด, ด้วยกันร่างกายเห็นไม่สวยไม่งาม เห็นเป็นดินน้ำลมไฟมเห็นเป็นอาการสามสิบสองเห็นเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเห็นว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา<ม>คำถามจากคุณจรัญญาคำถามที่สองค่ะถ้าเราไม่มีสติเราก็จะอยู่กับโลภโกรธหลงใช่ไหมคะก็โลภโกรธหลงมันก็จะมันก็จะเป็นตัวออกมาสแสดงสแสดงฤทธิดเดช ถ้ามีสติเราก็สามารถควบควมุมนอบโกรธลงให้เบาบางลงได้แต่จะให้มันตายด้วยสติมันไม่ตายแต่ตายได้ต้องตายด้วยปัญญาคำถามจากคุณนันทลีค่ะเราซื้อของเรารู้ว่าเขาโกงเราเราไม่โกรธเขาแบบนี้เป็นธรรมไหมเจ้าคะ่ะไม่โกรธเขาก็ดีเราจะได้ไม่ทุกข์ไ เวลาโกรธใครใครทุกข์อ่ะคนที่ถูกโกรธหรคนที่โกรธนะความโกรธมันอยู่ในในใจของคนที่โกรธความทุกข์อยู่ในใจของคนที่โกรธคนที่ถูกโกรธเขาไม่รู้เรื่องเขานอนสบายหลับสบายปุ๋ยไอคนโกรดนี่นอนไม่หลับทั้งคืนคําถามจากคุณพิ่พัฒนพลค่ะ การกำหนดรู้กิริยาทางกายตลอดวันคือการเจริญสติถ้าจิตส่งออกนอกก็ให้ดึงกลับมารู้ตัวผมปฏิบัติถูกทางไหมครับถูกแล้วให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาร่างกายกำลังทาอะไรก็เฝ้าดูอยู่การกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าปล่ให้ไปที่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คำถามจากทาง youtube คุณนัราค่ะการที่เราสอนเนื้อหาแล้วนักเรียนจาไม่ได้ นายกลับบอกว่าเราไม่เคยสอนแม้จะเจอที่นักเรียนเคยจดไว้ก็อ้างต่อว่าจดมาจากเน็ตเหมือนเราไม่รับผิดชอบการที่เราไม่พอใจนี้เป็นเพราะตัว ต, วตนหรืออะไรคะเพราะความอยากให้เขา เ, ขาเขาชื่อเราเมื่อเขาไม่เชื่อเรามันก็ทำให้เราเสียใจไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเราก <c oughs> ็อย่าไปหวังอะไรจากใครใครก็จะเชื่อเราหรือไม่ก็แล้วแต่เขา <c oughs> คำถามจากทางเฟซบุ๊คุณนะัทธวดีค่ะเวลาเราถูกโกงเงินไปเกิดจากความโง่ไม่รอบครอบไม่ระมัดระวงังหรือเป็นกรรมเก่าแต่อดีตชาติเขามาทวงคืนเจ้าค่ะก็แล้วแต่จะมองมองว่าเป็นความโง่ของเราก็ได้ไม่ฉลาดหรือมองว่า เ, เราเป็นใช้กรรมเก่าล้วอาจจะไปขโมยเ ง, งินเข้ามาก่อนคราวนี้เลยต้องถูกเขาโกงไปคืนไปก็ได้แต่วิธีดูก็ดูเพื่อให้ใจเราสงบ ทัง้งสองวิธีนี้ก็ใช้ได้โทษตัวเราเรามันโง่ให้เขาเอาเงินของเราไปเองได้พยายามรับความโง่ของเราเราก็สงบได้เมื่อเรายามรับกรรมของเราเราก็ทําให้ใจเราสงบได้ไม่เครียดไม่วุว่นวายไม่เสียใจคําถามหมดเจ้าค่ะ <S <S โอเคหมดแล้วก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิ่นิพิจารณาไปปฏิบัติ